พระอนาคามีกับพระอรหันต์พระนารถากล่าวว่านี่เนี่ยท่านประวิดโดยไม่อาศัยศรัทธาเลยไม่อาศัยความถูกใจการเล่าเรียนมาการตรึรองตามแนวเหตุผลหรือความเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนผมรู้ผมเห็นซึ่งข้อความนี้ว่าพราะชาตินิโรธจรามรณะจึงนิโรธ เร อ, อวิชานิโรธสังขารจึงนิโรธผมรู้ผมเห็นข้อความนี้ว่านิโรธแห่งภพคือนิพพานพระประวิจกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านนาร ะ, ะก็เป็นพระอาหารหันตกีณาศพสิพระนาร ะ, ะกล่าวว่าข้อที่ว่านิโรธแห่งภพคือนิพพานนั้นผมมองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามความเป็นจริง แต่กระนั้นผมก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์ตะขีนาศเปรียบเหมือนมีบ่อน้ำในทางกันดาลแต่ที่นั่นไม่มีเชือกไม่มีภาชนะสาหรับตักน้ำครานั้นบุรุษหนึ่งถูกอากาศแ้งเผากรำร้อนมาถึงทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งกระหายเขามองลงไปในบ่อน้ำนั้นทั้งที่มีความรู้อยู่ว่านั่นน้ำแต่จะสัมผัสด้วยกายก็มิได้ นี่ฉันใดข้อที่ว่านิโรธแห่งภพเป็นนิพพานผมก็มองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามความเป็นจริงแต่ผมก็ไม่ได้เป็นพระอาหารหันตะขีนาศในเรื่องนี้อัตกถาไขาความว่าท่านตั้งอยู่ในอนาคามิมรักษ์พระเขมะกะกล่าวกับพระเทระทั้งหลายว่า ผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลยในอุปาทานนัขันห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยะคือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพระเถรศทั้งหลายจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านเขมกะ ก, ก็เป็นพระอรหันตขีณาศพสิพระเขมกากกล่าวว่าผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลยในอุปาทานนัขันห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยะก็จริง แต่ผมก็ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์อันหนึ่งผมยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันห้าว่าเรามีอยู่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เห็นคล้อยไปว่าเราเป็นนี้หรือนี้เป็นเราพระเทระทั้งหลายกล่าวว่าที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นท่านว่าอะไรเป็นเรามีท่านว่ารูปเป็นเรามี หรือว่าเรามีนอกเหนือจากรูปท่านว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรามีหรือว่าเรามีนอกเหนือจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นท่านว่าอะไรเป็นเรามีพระเขมกะัตอบว่าผมไม่ได้ว่ารูปเป็นเรามีแล้วก็ไม่ได้ว่าเรามีนอกเหนือจากรูป ผมไม่ได้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรามีก็ไม่ได้ว่าเรามีนอกเหนือจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่กระนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันห่าว่าเรามีอยู่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เห็นคล้อยไปว่าเราเป็นนี้หรือนี้เป็นเราเปรียบเหมือนดังกลียนอุบลปทุมหรือบุญทุรี ผู้ใดกล่าวว่ากลิ่นของกลีบหรือว่ากลิ่นของสีหรือว่ากลิ่นของเกสรเขากล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าผู้ถูกต้องไหมตอบว่าไม่ถูกเลยจะตอบให้ถูกจะว่าอย่างไรละท่านจะตอบให้ถูกก็ต้องว่ากลิ่นของดอกสิท่านฉันนั้นเหมือนกันและท่านทั้งหลายผมไม่ได้กล่าวว่ารูปเป็นเรามี แล้วก็ไม่ได้ว่าเรามีอยู่นอกเหนือจากรูปไม่ได้ว่าเวทนาจนถึงวิญญาณเป็นเรามีแล้วก็ไม่ได้ว่าเรามีนอกเหนือจากเวทนาจนถึงวิญญาณแต่กระนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันห้าว่าเรามีอยู่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เห็นคล้อยไปว่าเราเป็นอันนี้ ท่านทั้งหลายสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าเป็นสิ่งที่อริยาสาวกละได้แล้วก็จริงแต่กระนั้นมานะว่าเรามีฉันทะว่าเรามีอนุสัยว่าเรามีที่ตามคลออยู่คืออย่างละเอียดในอุปาทานนขันห้าอริยาสาวกนั้นก็ยังละไม่ได้ในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น จนถึงตอนนี้เป็นพระอนาคามีคือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าทิละได้แล้วมีสังโยชน์เบื้องสูงที่จะต้องละต่อไปสมัยต่อมาอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นอยู่เนืองๆซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันทั้งห้าว่ารูปดังนี้สมุทัยแห่งรูปดังนี้ อสดงแห่งรูปดังนี้เวทนาสัญญาสังขารจนถึงวิญญาณดังนี้สมุทัยแห่งเวทนาจนถึงวิญญาณดังนี้อัสดงแห่งเวทนาจนถึงวิญญาณดังนี้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้อยู่เสมอเสมอมานะว่าเรามี สันทะว่าเรามีอนุสัยว่าเรามีที่ตามคลออยู่ในอุปาทานัขันทั้งห้าซึ่งท่านยังถอนไม่ได้นั้นก็จะถึงซึ่งความขาดถอนไปสิน้นในที่นี้คือบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในตอนนี้เปรียบดังผ้าที่สกปรกมีรอยเปื้อนจับติด เจ้าของนำไปมอบให้แก่ช่างซักฟอกช่างซักฟอกขยำขยี้ผ้านั้นในน้ำด่างขี้เถ้าในน้ำด่างเกลือหรือในโคใไม่แล้วซักล้างในน้ำสะอาดแม้ว่าผ้านั้นจะสะอาดขาวพองแล้วก็จริงแต่กระนั้นกลิ่นน้ำด่างหรือกลิ่นโคใไม่ที่แทรกติดอยู่ก็หาหมดสิ้นไปไม่ช่างซักมอบผ้านั้นคืนให้แก่เจ้าของ